แต่วันนี้จะเน้นในเรื่องของวิปัสนาวิปัสนาเนี่ยจะมีจริต ส, ส, ส, ส, สำหรับคนเรียนสมถนะก็มีจริตสำหรับคนเรียนสมถะนะคนเรียนสมถะเนี่ยจะมีจริตอยู่ถึง6อย่างแล้วก็หาสมถะหาวิธีทำสมถะให้ตรงกับจริตทั้งหกแบบคนคนที่มีกิเลส แต่ละตัวเนี่ยนะคนราคะมากจะทำสมถะแบบไหนคนโทสะมากจะทำสมถะแบบไหนคนโมห oh ะมากจะทำสมถะแบบไหนคนช่างคิดจะทาสมถะแบบไหนคนมีศรัทธามากจะทำสมถะแบบไหนคนฝ่หาความรู้จะมีสมถะแบบไหนก็จะมีสมถะที่คู่กันกับกับจริตของแต่ละคน6อย่างมันมากสําหรับสมถะนะแต่สําหรับวิปัสสนานี่มี2อย่าง คนทำคนทวิปัสนาเนี่ยนะจะมีจะมี จ, ะมจริตสำหรับคนเรียนแค่สองแบบจริตสำหรับคนเรียนวิปัสนาเนี่ยคือคนช่างคิดกับคนรักสวยรักงามรักสุขรักสบายคนช่างคิดจะมี จะมีอาการทางจิตแบบหนึ่งคนรักสวยรักงามรักสุขรักสบายจะมีอาการทางจิตแบบหนึ่งไม่เหมือนกันจะเอามาใช้ในการเจริญวิปัสนาคนละแบบนนะคนรักสวยรักงามเหมือนศิลปินศิลปินเวลาดูศิลปะเนี่ยนะรู้จักถวันดัชนีใช่ไหมถวันดัชนีพึ่งสิ้นไป น, นะเขามีคําอยู่คำหนึ่งว่าศิลปะเนี่ย ไม่ต้องไปเข้าใจมันแค่รู้สึกศิลปะเอาไว้รู้สึกทำพิปัสนาก็เหมือนกันพิปัสนานะไม่ต้องไปเข้าใจอะไรมันแค่รู้สึกแค่รู้สึกว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจมีอะไรเกิดขึ้นกับกายมีอะไรเกิดขึ้นกับใจแต่ถ้าคนอยากจะเข้าใจมันแล้วคิดเอาเนี่ยนะเป็นคนช่างคิด คนที่ดูอะไรแล้วไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรมากดูแล้วรู้สึกเอาเนี่ยนะคนพวกนี้เนี่ยเป็นจริตแบบหนึ่งเรียกว่าตันหาจริตฟังชื่อแล้วไม่อยากไปอยู่ด้วยเลยใช่ไหมมันตันหาใช่ไหมแต่ถ้าแปลเป็นไทยว่าเป็นคนรักสวยรักงามรักสุขรักสบายรู้สึกว่าเราจะอยู่ในเครือข่ายนี้อยู่บ้างเหมือนกันใช่ไหมอีกแบบหนึ่งคือคนที่ช่างคิด มองไปเนี่ยมองศิลปะไปเนี่ยนะเห็นรูปถ่ายรูปวาดหรือศิลปะอันนี้ติดอยู่เนี่ยเห็นแล้วมันไม่แค่รู้สึกชอบไม่ชอบอย่างเดียวเอ๊ะเขาหมายความยังไงอันนี้คืออะไรเอ๊นี้ทําจากอะไรอย่างเงี้ยนะช่างคิดรู้สึกงั้นไหมเราเองบางทีไม่ได้มองว่าสวยเฉยๆแล้วชอบไม่ชอบเฉย ๆ, ๆมองแล้วมีวิาพากษ์วิจารณ์ เข้ามาในห้องนี้โอ้โหไขจัดไปนะทำไมต้องถอดรองเท้าอะไรประมาณนี้มีเห็นอะไรก็ชอบจะคิดต่อคิดต่ออาหารตอนเช้าเป็นอย่างนี้อาหารกลางวันจะเป็นยังไงเดี๋ยวห้องพักจะเป็นยังไงมีความคิดคิดกังวลก็คือคิด <laughs> วันนี้ถ่ายไม่ออกเอจะเป็นอะไรหรือเปล่าต้องไปหาหมอช่างกังวล คิดกังบนก็คือช่างคิดแต่ละคนก็ต้องแยกตัวเองว่าเรามีจริตแบบไหนที่จะมาเรียนวิปัสนาวิปัสนามีจริตแค่สองอย่างง่ายมากแล้วเราก็แยกแยะตัวเองว่าเราอยู่ในพวกไหนอยู่พวกไหนแล้วมาทําเจริญวิปัสนาให้ตรงเราจเจริญสติปัฏฐานเพื่อให้เกิดวิปัสนาเนี่ยนะฐานของการจเจริญสติเนี่ยมัอยู่สี่แบบ 4ี่อย่างคือกายเวทนาจิตหรือธรรมถ้าเราแยกตัวเองได้จัดตัวเองได้ว่าเราน่ะอยู่อยู่ในพวกไหนพวกช่างคิดหรือพวกรักสวยรักงามรักสุขรักสบายพวกรักสวยรักงามรักสุขรักสบายเนี่ยนะใจของเขาเนี่ยเหมาะที่จะไปทำสมาธิเพราะใจก็จะสงบง่ายแค่มองเนี่ยก็สงบละ มองรูปวาดมองภาพถ่ายมองพระพุทธรูปอย่างเงี้ยแค่มองก็สงบแล้วใจชอบแล้วก็อยู่กับสิ่งนั้นได้นานแต่คนช่างคิดนะมองแล้วมันไม่ยอมแค่ชอบเฉยเฉยมันจะคิดต่อมันไม่นิ่งคนอย่างนี้ก็จะทำอีกแบบหนึ่งคนที่รักสุกรักสบายรักสวย ร, รักงามทำสมาธิได้ง่ายเลยนะทำสมาธิไปด้วยก่อนแล้วเอาคุณสมบัติของจิตที่มีสมาธิแล้วนะํา มาเจริญสติต่อมาดูกายหรือดูเวทนาท่านแยกนี้นะคนที่รักสุขรักสบายรักสวย ร, รักงามทําสมาธิได้แล้วเนี่ยมาดูกายและดูเวทนานะส่วนคนช่างคิดคนช่างคิดเนี่ยทำสมาธิยากจะภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธเดี๋ยวก็คิดดูลมหายใจได้2องทนทีเดี๋ยวก็คิ ด, ด, ด, เ, ด, คดเป็นอย่างนั้นไหมใครรู้สึกกันบ้างใครเคยทําแล้วเป็นอย่างนั้นบ้างมีไหมดูลมหายใจแล้วก็คิด คิดจนเหนื่อยบางทีนั่งไปหลับหลับแล้วเลยกลายเป็นว่าถ้าฉันหลับเมื่อไหร่แสดงว่าฉันสงบจริงๆมันมาจากว่ามันช่างคิดคิดจนเหนื่อยจนจิตมันเหนื่อยแล้วก็เลยปล่อยหลับลงไปคนช่างคิดเนี่ยเจริญวิปัสสนาคือมาดูจิตหรือดูธรรมสองแบบ